เรื่องภิกษุบิดกายสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบิดกายน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่3าสสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง มีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนบิดกายน้ำอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศต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 มีความประสงค์จะทำน้ำอสุติให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุลจใจวงเรบเรื่องที่39